ปฏิญญาตะกระณะว่าด้วยระ ง, งับอธิกรณ์ตามคำรับของจำเลยเรื่องพระฉาพาคีสมัยนั้นผู้พิสุชฉาพาคีลงโทษพิกษุทั้งหลายโดยมิได้ปติญญาคือลงตัชนิยกรมยกรมบ้างนิยสกรรมบ้างปรับภาชนิยกรม ร, ยกรมบ้างปฏิสารณิยกรรมบ้างโอเคพนยกรรมบ้าง บรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตนิประนามโพนธนาว่าฉไหนพวกภิกษุชาวพัคีจึงลงโทษภิกษุทั้งหลายโดยไม่ได้ปฏิ ญ, ญาเล่าคือลงตัชเนียกรรมบ้างนิยสักรรมบ้างปบพาเนียกรรมบ้างปฏิสารณียกรรมบ้างอุคเคปเนียกรรมบ้า ง, รรางแล้วได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงสอบถาม พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าละถึงจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคครั้นทรงตําหนิแล้วทรงสแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงลงโทษภิกษุทั้งหลายโดยมิได้ปฏิญญาคือลงตัชนิยกรรมบ้างนิยสักกรรมบ้าง ปัปพาเนียกรรมบ้างปฏิสารณียกรรมบ้างโอเคเปเนียกรรมบ้างรูปใดลงต้องอาบัดทุกปดปฏิญญาตกรณะที่ไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายปฏิญญาตกรณะที่ไม่ชอบธทำอย่างนี้ที่ชอบธรำอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายปฏิญญาตกรณะที่ไม่ชอบทำเป็นอย่างไรเคือภิกษุต้องอาบัตดปราชิก ส ง, like, สงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวจวบภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมไม่ได้ต้องอาบัติปาราชิกผมต้องอาบัติสังฆาทิเศษสงปรับอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุนั้นการปรับอย่างนี้ชื่อว่าปฏิญญาตะการณะที่ไม่ชอบธรำภิกษุต้องอาบัติปารชิกสง์หรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียว โวภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติปารชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมไม่ได้ต้องอาบัติปารชิกละถึงผมต้องอาบัติทุลใจสงปรับอาบัติทุลใจภิกษุนั้นการปรับอย่างนี้ชื่อว่าปฏิญญาตะการะที่ไม่ชอบธรรมภิกษุต้องอาบัติปารชิกสงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโวภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติปารชิก ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมไม่ได้ต้องอาบัติปารชิกผมต้องอาบัติปาจิตตีทรงปรับอาบัติปาจิตตีภิกษุนั้นการปรับอย่างนี้ชื่อว่าปฏิญญาตะการณะที่ไม่ชอบธรญญรมภิกษุต้องอาบัติปาราชิกทรงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวจวบภิกษุนั้นว่า han, ท่านต้องอาบัติปาราชิก <med ling> ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมไม่ได้ต้องอาบัติปาราชิก ผมต้องอาบัติปาติเทสนิยะสงปรับอาบัติปาติเทสนิยะภิกษุนนั้นการปรับอย่างนี้ชื่อ ว, ว่าปฏิ ญ, ญาตกรณะที่ไม่ชอบธรรมภิกษุต้องอาบัติปราชิกสงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจ้พิกูจน์นั้นว่าท่านต้องอาบัติปราชิกพิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมไม่ได้ต้องอาบัติปราชิกผมต้องอาบัติทุกกฎ สมปรับอาบัตทุกโกรภิกษุนั้นการปรับอย่างนี้ชื่อว่าปฏิญญาตกรณะที่ไม่ชอบธรรมภิกษุต้องอาบัตปาราชิกสงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัตปาราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมไม่ได้ต้องอาบัตปารชิกผมต้องอาบัตทุกภาสิตทธิ์สมปรับอาบัติทุกภาสิต์ภิกษุนั้นการปรับอย่างนี้ชื่อว่า ปฏิญญาตะการณะที่ไม่ชอบทำพมภิกษุต้องอาบัตสังคาทิเศตละถึงอาบัตถุนละใจอาบัตปาจิตตีอาบัตปาติเทศนิยะอาบั ต, ต, บตทตุกฏภิกษุต้องอาบัตทุกภาสิตทธิ์สงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจ้พิสูจน์นั้นว่าท่านต้องอาบัตทุกภาสิทธิ์พิสูจนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมไม่ได้ต้องอาบัติทุกภาสิตธิ์ ผมต้องอาบัติปาราชิกสงปรับอาบัติปาราชิกภิกษุนั้นการปรับอย่างนี้ชื่อว่าปฏิญญาตะกระณะที่ไม่ชอบทำพิภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิตทธิ์สงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวจวบภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติทุพภาสิทธิ์พิสูจนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมไม่ได้ต้องอาบัติทุพภาสิทธิ์ผมต้องอาบัติสังฆาทิเศษและถึงอาบัติทุนละใจ อาบัตปาจิตตีอาบัตปาติเทสนิยะอาบัตทุกกฎสงปรับอาบัตทุกกฎภิกษุนั้นการปรับอย่างนี้ชื่อว่าปฏิญญาตากระณะที่ไม่ชอบทำรมภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลปฏิญญาตากระณะที่ไม่ชอบทำปฏิญญาตากระณะที่ชอบทำภิสูจทั้งหลายปฏิญญาตากระณะที่ชอบทำรรเป็นอย่างไรคือภิกษุต้องอาบัตปราชิก สงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวจวบภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติปรารชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าถูกละท่านผมต้องอาบัติปรารชิกสงปรับอาบัติปรารชิกภิกษุนั้นการปรับอย่างนี้ชื่อว่าปฏิญญาตะกรณะที่ชอบทำภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศตละถึงอาบัติทูลลใจอาบัติปาจิตติอาบัาบาติาปาติเทสนยะ อาบัตทกุกกฎพิษุต้องอาบัต ท, ทุภาสิทิสงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจวบพิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัต ท, ทุภาสิทธิ์พิสูตนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าถูกละท่านผมต้องอาบัต ท, ทุภาสิทิ์สงปรับอาบัต ท, ทุภาสิตธิ์พิสูตนั้นการปรับอย่างนี้ชื่อว่าปฏิญญาตะการณะที่ชอบธรำภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลปฏิญญาตะการณะที่ชอบธรรม ปติญาตะกรณะจบ 5. เยพุยสิกาว่าด้วยระ ง, งับอธิกรณ์ตามเสียงข้างมากเรื่องภิกษุหลายรูปสมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้บาทหมางทะเลาะวิวาทกันในถ้ำกลางสง์กล่าวทิ่มแทงกันและกันด้วยห่อคือปากอยู่ไม่อาจระ ง, งับอธิกรณ์นั้นได้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ระ ง, งับอธิกรณ์เห็นปานนี้ด้วยเยผู้ยสัสกาสงพึงแต่งตั้งภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้า ให้เป็นผู้ให้จับสลากคือหนึ่งไม่ลำเอียงเพราะชอบสองไม่ลำเอียงเพราะชังสามไม่ลำเอียงเพราะหลงสี่ไม่ลำเอียงเพราะกลัวห้ารู้จักสลากที่จับแล้วและยังไม่ได้จับวิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงแต่งตั้งภิกษุผู้ให้จับสลากอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงขอให้ภิกษุรับครั้นแล้วภิกษุผู้ชลาสามารถ พึงประกาศให้สงราบด้วยยัตติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้จเจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้ให้จับสลากนี่เป็นยัตติท่านผู้จเจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้ให้จับสลากแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้ให้จับสลาก ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้จับสลากแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนีกกงกง้การจับสลากที่ไม่ชอบทำสิบอย่างภิกษุทั้งหลายการจับสลากที่ไม่ชอบทำสิบอย่างที่ชอบทำสิบอย่างเหล่านี้ การจับสลากที่ไม่ชอบทำสิบอย่างเป็นไฉนะคือ 1. อธิกรเป็นเรื่องเล็กน้อย 2. ไม่ลุกกลามไปไกล 3. ภพิกษุพวกนั้นระลึกไม่ได้เองและพวกอื่นก็ให้ระลึกไม่ได้ 4. รู้ว่าอธรรมวาทีมากกว่า 5. รู้ว่าไฉนอธรรมวาทีพึงมีมากกว่า 6. รู้ว่าสงจักแตกกัน 7. รู้ว่าชไนสงผึ่งแตกกัน 8. อธรรมวาทีภิกษุจับโดยไม่ชอบทำเก้าอธรรมวาทีภิกษุแบ่งพวกกันจับ10ไม่จับตามความเห็นการจับสลากที่ไม่ชอบทำสิบอย่างเหล่านี้การจับสลากที่ชอบทำสิบอย่างการจับสลากที่ชอบทำสิบอย่างเป็นชไนะคือ 1. อธิกรไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย 2. ลูกลามไปไกล 3. ภิกษุพวกนั้นระลึกได้เองและพวกอื่นก็ให้ระลึกได้ 4. รู้ว่าธรรมวาทีมากกว่า 5. รู้ว่าเชไหนธรรมวาทีพึงมีมากกว่า 6. รู้ว่าสงจากไม่แตกกัน 7. รู้ว่าฉชไหนสงไม่พึงแตกกัน 8. ธรรมวาทีภิกษุจับโดยชอบธรรม 9. ธรรมวาทีภิกษุพร้อมเพลียงกันจับ 10. จับตามความเห็นการจับสลากที่ชอบทำสิบอย่างเหล่านี้เยพุยสิกาจบ 6. ตัสปาปิยศสิกา ว่าด้วยระ ง, งับอธิกรณ์โดยการลงโทษแก่ผู้ทำผิดเรื่องพระอุปวาระสมัยนั้นพระอุปวาระถูกสักถามอาบัตในถ้ำกลางสงปฏิเสธแล้วรับรับแล้วปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่งมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งกล่าวเท็จทั้งที่รู้บรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพท น, นาว่าฉะไหนพระอุปวาระถูกสักถามอาบัตในถ้ำกลางสง จึงได้ปฏิเสธแล้วรับรับแล้วปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่งเมื่อกล่าวกลุ ก, กลื่นอีกเรื่องหนึ่งกล่าวเทศทั้งที่รู้เล่าแล้วได้นําเรื่องนี้ไปรกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุอุปวารละถูกสักถามอาบัติในถ้ากลางสง์ปฏิเสธแล้วรับรับแล้วปฏิเสธ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 วิธีลงตัดสปาปิยสิกากรรมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงลงตัดสปาปิยสิกากรรมอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงโจย์ภิกษุอุปวาระก่อนครั้นแล้วพึงให้ภิกษุอุปวาระนั้นให้การแล้วพึงปรับอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจัตุกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ภิกษุอุปวาระนี้ถูกซักถามอาบัตในถ้ำกลางสงปฏิเสธแล้วรับรับแล้วปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่งมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งกล่าวเท็จทั้งที่รู้ถ้าสมพร้อมกันแล้วพึงลงตัดสปาปิยศิกากมแกภิกษุอุปวาระนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุปวาระนี้ถูกสักถามอาบัตในถ้ำกลางสงปฏิเสธแล้วรั บ, รบ รับแล้วปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่งมากล่าวกลกเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งกล่าวเท็จทั้งที่รู้สงลงตัดสปาปิยะสิกากรรมแก่ภิกษุอุปวาระแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุอุปวาระท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองเขาพระเจ้ากล่าวความนี้ว่าแม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงตัสปาปิยะสิกกรรมสงลงแล้วแก่ภิกษุอุปวาระสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอเถิดความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ตัสปาปิยะสิกกรรมที่ชอบทำห้าอย่างภิกษุทั้งหลายการลงตาสปาปิยะสิกกรรมชอบทำห้าอย่างนี้คือหนึ่งภิกษุเป็นผู้ไม่สะอาด 2. เป็นอรชี 3. เป็นผู้ถูกโจทย์ 4. ส, สงลงตัดสปาปิยศสิกากรรมแก่ภิกษุนั้น 5. สงพร้อมเพลียงกันลงโดยธรรมภิกษุทั้งหลายการลงตัดสปาปิยศสิกากรรมชอบทำห้อย่างนี้แหล กรรมมาทวาทสกะว่าด้วยตัสปาปิยะสิก ก, กรรมที่ไม่ชอบทำสิบสอหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายตัสปาปิยะสิก ก, กรรมที่ประกอบด้วยองค์สเป็นกรรมที่ไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินยัยและระ ง, งับไม่ดีคือหนึ่งลงรับหลังสองลงโดยไม่สอบถามก่อน 3. ลงโดยไม่ได้ปฏิญญาภิกษุทั้งหลาย ตาสปาปิยาสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีละถึงหมวดที่12ภิกษุทั้งหลายตัสปาปิยาสิกากรรมที่ประกอบด้วยองศามแม่อื่นอีกเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีคือหนึ่งไม่ปรับอาบัติก่อนแล้วจึงลง สองลงโดยไม่ชอบรมสามสงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลายตัสปาปิยศสิกกรรมที่ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหลเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระ ง, งับไม่ดีอธรรมกรรมมะทวาทัศกะจบธรมมะกรรมมะทวาทัศกะว่าด้วยตัสปาปิยศสิกกรรมที่ชอบทำสิบสองหมวดหมวดที่หนึ่ง ภิกษุทั้งหลายตัสปาปิยสิกกรรมที่ประกอบด้วยองค์สามเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีแล้วคือหนึ่งลงต่อหน้าสองลงโดยสอบถามก่อนสลงตามปฏิญญาภิกษุทั้งหลายตัสปาปิยสิกกรรมที่ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหลเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีแล้ว ละถึงหมวดที่สิบสองภิกษุทั้งหลายตัสปาปิยาสิกกรรมที่ประกอบด้วยองศามแม้อื่นอีกเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระ ง, งับดีแล้วคือหนึ่งปรับอาบัติก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยธรรมสามสงพร้อมเพียงกันลงภิกษุทั้งหลายตัสปาปิยสิกกรรมที่ประกอบด้วยองศาเหล่านี้แหลเป็นกรรมชอบด้วยธรรม เป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระ ง, งับดีแล้วธรรมกรรมมะทวาทสกะจบอาคังขะมานจักกะว่าด้วยสงมุ่งหวังที่จะลงตัดสปาปิยกาสกกรรมหกหมวดหมวดที่หนึ่งิุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดสปาปิยกาสกกรรมแก่ภิษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือหนึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาททำความอื้อเชวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ 2. โง่งงเขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ 3. อยู่คลุกคลีกักกบครหัสด้วยการคลุกคลีกักกบครหัสที่ไม่สมควรภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดสปาปิยสุปากรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหลหมวดที่สอง ภิกษุทั้งหลายทรงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองคศาแม่อื่นอีกคือ1เป็นผู้มีศิลวิบัติในอธิศีลสเป็นผู้มีอาจารรวิบัติในอัจฉาจารย์ 3. เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิภิกษุทั้งหลายละถึงเหล่านี้แลหมวดที่สภิกษุทั้งหลาย ทรงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัสปาปิยศสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามแม่อื่นอีกคือหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 2. กล่าวติเตียนพระธรรมสกล่าวติเตียนพระสมภิกษุทั้งหลายทรงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหลหมวดที่สภิกษุทั้งหลาย สงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุสมรูปคือ 1. รูปหนึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณในสงส์ 2. รูปหนึ่งโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ 3. รูปหนึ่งอยู่คลุกคลีกับครหัตด้วยการคลุกคลีกับครหัตที่ไม่สมควร ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดสปาปิยาสิกากรรมแก่ภิกษุสมรูปเหล่านี้แลหมวดที่ 5. ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดสปาปิยาสิกากรรมแก่ภิกษุอื่นอีกสรูปคือ 1. รูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลวิบัติในอธิศีลสรูปหนึ่งเป็นผู้มีอาจารวิบัติในอัชฌาจารย์ สรูปหนึ่งเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิภิกษุทั้งหลายละถึงรูปเหล่านี้แล้มัวที่6ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัสปาปิยะสกากรรมแก่ภิกษุอื่นอีกสามรูปคือ 1. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าสองรูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรมสรูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลาย สงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดสปาปิยศกากรรมกลายภิกษุสามรูปเหล่านี้แหลอากังขะมานชัชกกะจบอัธาระสะวะตะว่าด้วยว่าสบปข้อในตัดสปาปิยศกากรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ถูกสงลงตัดสปาปิยสึกกากรรมแล้วพึงประพฤติโดยชอบการประพฤติโดยชอบในเรื่องนั้นดังนี้หนึ่ง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 เจ็ดติเนวัารกะว่าด้วยระงับอธิกรณ์โดยการประนีประนอมเรื่องภิกษุก่อความวุ่นวายสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายบาทหมางทะเลาะวิวาทกันอยู่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 บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงลุกลามไปเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายกาจเพื่อความแตกกันก็ได้พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอแล้วได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พุทธานุญาตให้ระงับอธิกรณ์โดยดินนวัถารกะพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้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 พึงประชุมในที่แห่งเดียวกันครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสาบด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าพวกเราบาดมางทะเลาะวิวากันอยู่ได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายถ้าพวกเราจะปรับอาบัตเหล่านี้กันและกัน บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงลุกลามไปเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายกาจเพื่อความแตกกันก็ได้ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงระ ง, งับอธิกรณ์นี้ด้วยตินวถารกะเว้นอาบัตที่มีโทษหยาบเว้นอาบัตเนื่องด้วยครหัตลำดับนั้นบรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ฝ่ายของตนทราบด้วยยติกรรมวาจาว่า ขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าพวกเราบาทหมางทะเลาะวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติเลเื่อมเสสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายถ้าพวกเราจะปรับอาบัตเหล่านี้กันและกันบางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงลุกลามไปเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายกาจเพื่อความแตกกันก็ได้ถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านทั้งหลายและอาบัติของตนในถ้มกลางสงฆ์ด้วยติ น, นวัารกะเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบเว้นอาบัตินึ่องด้วยครหัตเพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายและเพื่อประโยชน์แก่ตนลำดับนั้นบรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งภิกษุผู้ชลาสามารถพึงประกาศให้ศักดไม่เนหะ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 เพื่อความแตกกันก็ได้ถ้าสงพร้อมกันแล้วเขาพเจ้าพึงแสดงอาบัตของท่านเหล่านี้และอาบัตของตนใน่ํากลางสงด้วยตินนวัทารกะเว้นอาบัตที่มีโทษหยาบเว้นอาบัตเนื่องด้วยคอรหัสเพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตนลำดับนั้นบรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันอีกพวกหนึ่งภิกษุผู้ฉลาสามารถพึงประกาศให้ฝ่ายของตนทราบ โดยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าพวกเราบาดหมางทะเลาะวิวาสกันอยู่ได้ประพฤต์ละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทาด้วยกายถ้าพวกเราจะปรับอาบัตเหล่านี้กันและกันบางทีอันธรกนั้นจะพึงลุกลามไปเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายกาดเพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าสงพร้อมกันแล้วข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านเหล่านี้และอาบัติของตนในถ้ำกลางสงด้วยตินาวัฏารกะเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบเว้นอาบัติเนื่องด้วยครหัดเพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตนนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าพวกเราบาทหมางทะเลาะวิวาทันอยู่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 เว้นอาบัตเนื่องด้วยครรหัตเพื่อประโยชน์แกะท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตนท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแสดงอาบัตเหล่านี้ของพวกเราในถ้ำกลางสง์ด้วยตินนวัถารกะเว้นอาบัตที่มีโทษหยาบเว้นอาบัตเนื่องด้วยครหัตท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักทวงอาบัตเหล่านี้ของพวกเราเว้นอาบัตที่มีโทษหยาบ เวนอาบัดเนื่องด้วยคราห์หัตข้าพเจ้าแสดงแล้วในถ้ำกลางสง์ด้วยตินนวัทารกะสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถิดความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ลำดับนั้นบรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันอีกพวกหนึ่งภิกษุผู้ฉลาสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยั ต, ติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า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 บางทีอันธิกอนนั้นจะพึงลุกลามไปเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายกาจเพื่อความแตกกันก็ได้ข้าพเจ้าแสดงอาบัตของท่านเหล่านี้และอาบัตของตนในท่้ำกลางสง์ด้วยตินนวัทธรกะเว้นอาบัตที่มีโทษหยาบเว้นอาบัตเนื่องด้วยครหัดเพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์ตนท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแสดงอาบัตเหล่านี้ของพวกเราในถ้ำกลางสง์ ด้วยตินนวถารกะเว้นอาบัตที่มีโทษหยาบเว้นอาบัตเนื่องด้วยครรหัดท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห <t> ็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักทวงอาบัตเหล่านี้ของพวกเราเว้นอาบัตที่มีโทษหยาบเว้นอาบัตเนื่องด้วยครหัเข้าพเจ้าแสดงแล้วในถ้ำกลางสงด้วยตินนวถารกะสงเห็นด้วยพระชนนจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ออกแล้วจากอาบัตเหล่านั้นเว้นอาบัตที่มีโทษหยาบเว้นอาบัตเนื่องด้วยครหัดเว้นผู้เปิดเผยความเห็นเว้นผู้ไม่ได้อยู่ในที่นั้นติณนนวัวฐารกะจบ